มองมีถุงยอย่ดนะารู้ว่ีเียวถ้าใครไม่รู้จกรักษาติตัวเองนะจะมีความทุกข์เข้ามาถูกกันทั้งนั้นแหละใช่มมากน้อยใช่แต่ว่าเวลาความทุกข์เข้ามาอย่าไปกลัวนะอย่าไปกลัวมันกำลังมาถอนเราใช่ไหมเหมือนกับเรานี่ประมาทเขาใไห ทำนู่นทำนี่กันลูบไปประเทนี้ต้องการความสุขแต่การความจริงแตเวลาไปต้องการอยากเอาแส่อ้ข้างนอกมาทําให้เป็นสุขอ่ะไม่รู้ว่าสุขในกิจของตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยกิจเนี่ยถ้ามันเป็นสุขเองได้เนี่ยมันจะมีความสบายที่สุเลยถ้าเราหวังพึ่งแต่ความสุขข้างนอกดท้ายเป็นยังไงมันเปลี่ยนแปลงไหมไอ้ข้างนอกอ่ะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างที่เราต้องการตลอดไปไหม ไม่ได้วันนั้นมันต้องสอนเราเองดิดมึงเข้าใจไหมมันสอนเราเวลาความทุกข์เกิดขึ้นอ่ะมันสอนอะ่ะมึงจะไว้ให้ดีถ้ามึงไม่ปฏิบัติตามคําสอนของมึงจเจ้ามึงจะฟุบเข้าใจไหมสอนสอนคือยังไงมันพำให้เจ็บปวดเข้าใจไหมปี๊ดัดเหมือนกับมันมาปีแรงๆนะหน้าหรือป็นงั้นก็ทำปั้นซัดใส่หน้าแรงแ ๆ, ๆอะไรๆกับแทกกับแทกอ่ะจาไว้ให้ดี ถ้ามึงไม่รักษาจิตมึงทุกตลอดไปใช่ไหมตายแล้วเกิดอีกถุกไหม <c oughs> ทุกอีกด้วยอาจำไวน้นี่จริงจริงด้วยนะเนอถ้าไม่รู้จักรักษาจิตด้วยชาตินี้ชาติต่อไปทุกแบบเดียวกันนี่แหละทุกมากกว่าเก่าด้วยยิ่ ง, งทุกมากมากใจเศ้าหมองไหมต <c oughs> ายไปแล้วไปไหน <c oughs> ไปอาบาย <c oughs> ยาบูนะแต่ถ้าใครไม่กลัวทุกนะ โอทุกข์มันสอนแล้วพยายามหาทางใหม่พระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่เห็นทุกมีความทุกเนี่ยเขาจะศึกษาธรรมะถ้าใครมีความทุกแล้วมาศึกษาธรรมะเมื่อศึกษาธรรมะแล้วเกิดความเข้าเข้าใจธรรมะจิตใจเบิกบานขึ้นมาคือความทุกข์มันเป็นแค่ความคิดใช่ไหมไม่ได้มีอะไรหรอกดูกไม่ได้ใจเราไม่ถูกใจเราไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการ่ะใจมันก็ขัดข้องขึ้นมา ตักล้องขึ้นมาทีนี้ตัวเองอกับภูมจิตไม่เป็นรักษาจิตไม่เป็นจิตก็ออกไปใช่มเน่ยออกไปออกไปก็ไปคิดในเรื่องเก่านั่ยแหละทาไปซทำมา้ําไปท ำ, ำมาเนี่ยก็ แ, แค่ความคิดเท่านั้นเองความคิดมาจากไหนมาจากผู้ปาทานไปยุ่เรื่องนั้นำลอยกาไว้ไแน่นเลยใช่ไหมแข่งแต่งด้วยวางไม่ได้เพราะมันกำไปแล้วต้องหาทางปล่อยวางปล่อยวางยังไงอ่ะเดี๋ยวเราก็ะายแล้ว เขาก็ตายเหมือนกันเหตาตายแล้วต่างคนต่างก็ไปคลายออกบ้างไหมถ้ามันยังไม่คลายออกก็คิดบ่อยๆไปดูไปหาดูคนตายบ้างอะไรบ้างโมนี่เห็นไหมแต่ก่อนเ่ามีชีวิตชีวาเล็กนิดงงมข่ไก่ได้งงแข่งมองไขมงงแข่งมีเพอเข้าใจใช่ไหมองแข่งรภาษาอีสานเนี่ยเขาเรียกว่าเ็จปากแข่ๆ ถ้าพูดอย่างนี้อิสานเข้าใจเลยนะซึ่งปักแข้งแดงแต่ในวันนอนแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วนั่นแหละมันตรงนิ้ถึงที่สุดกายตายเนี้าเรถ้าเราตายลงเยวนี้ล่ะเขาอยู่ของเขาไปเลยไปตามทขาของเขาแล้วเราไปไหนตามองเรา อะไรวัวแต่คิดอใอะไรอาวออยู่ใจเป็นทุกขะเรา้าคิดว่ะใช่ป่ะตรงนั้นจะคันะไมตายวันนี้ก็ตายวันหน้าคือยังไงตายออกไหมออกไหมตายออกไหมน้ำวัวมาเก่งวัวตวเอแม่เน่ยวัวเจไหตเนับตากงวัวตัวเองแม่งนะพออยากจะอต้องตาย มึงทายเลยเนี่ยเพราะนัะ้นเพราะนั่นจ่าเคยมะสอนตัวสอนสอนค่อยไม่ได้ก็สอนแรงๆ ไ, ไม่ไม่เข้าเลยรูว่าความทุกข์เวลามันมานี่มันเหมือนประมาเหมือนกันบพูดให้าใจหน่อยนะออกหน้าเนี้ยตรงับเพี้ยนี่คืออะไรคือจิตมันรู้ใช่ไหมเพ้ยู้เอาออกเป็เป็นออกไม่ได้เพราะไม่ได้ถูกการคำสอน แต่ข้าหางว่าใครมาลงางคสอนจะเดี๋ยวรู้ทางบอกเดี๋ยวมีทางบอกแน่นอนไม่ต้องไปขั้วมาได้ต้องไปได้ในโลกนี้เข้าใจไหมเพราะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเหมือนลมมีุน้นอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยเราจะรู้ด้วยวิรู้กระดามันหมุนมัมนเคื่อนไหวลมก็ไปอยู่นิ่งหรอกเราดิงว่ามันอยู่นิ่งมันเคลื่อนไหวอะไรมันจะตลอดเวลาเลยเปลี่ยนแปงตลอดเวลาเล ย, ลลเลยนในธรรมชาตินี้เพราฉนั้เนเราก็ต้องเชื่อมั่น ในคำสอนพุทธเจ้าว่าทุกเกิดได้ต้องดับได้แล้วพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องอะไรอาริยสัจสีมีอะไรมีทุกกับความดับทุกใช่ไหมนี่มีสองเรื่องทุกกับความดับทุกทุกมาเพื่อให้เรารู้วิญญาณที่จะดับทุกดี่ไม่ควรทุกนี่ดีไหมดีหน่อยใช่ไหมตอนนั้นทุกมาเลยเออทุกมาเลยก็สายหัวเลยเนาะ ยอ <ś led> แล้วยอมแล้วเหรอแล้วเราไม่ได้ทุกคนเดียวหรอกถ้าใครก็ตามถ้ายังไม่ศึกษาคําสอนของผู้ใหญ่ทุกแน่นอนทุกมากทุกน้อยแต่ถ้าว่าศึกษาคําสอนเดี๋มันมีทางบอกเองว่าผู้ใจญ่บอกแล้วผก็คงสอนเรื่องทุกกับความจับทุกเรื่องกับพินิหารอะไรก็ มันไม่ทําให้ทุกดับใช่ไหมมันดับทุกไม่ได้เนี่ยเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ทาให้ทุกดับไปได้ต้องมาศึกษาเรื่องทุกกับความดับทุกทุกก็จะมีเหตุแห่งทุกแม่เห็นไหมมีเหตุแห่ทุกต้องมารู้เหตุไปด้วยแล้วเหตุมันอยู่ที่ไหนเหตุมันอยู่ที่ไหนที่ใจเรารู้อย่างนี้ใช้ได้ในลูกศิษย์ไทยเนี่ยก็ไปยังชวนหน่อยคิดแลวใกันคิด รู้ว่าเทเพลงลุกอยู่ที่จิตตัวเองใช้ได้เพราะอะไรจิตใจเงเป็นยังไงนะมันหลงมันหลงยึดใช่ไยึดว่าเป็นตัวเราเหนียวแน่นเลยนะเหนียวแน่นเลยเหมือนจะตายไม่เป็นอ่ะจริงจริงตายไหมตายยึดมากยึดน้อยตายเหมือนกันถ้าไม่ยึดเลยก็สบายบางคนก็บอกถ้าไม่ยึดเลยไม่ทําอะไรเลยใช่ไหมไม่ใช่ ยังทำอยู่แต่ทำแบบไม่ยืดเข้าใจไหมถ oh. ึกีกว่าเก่งที่แท้ก็ยังงูอีกยังล้มอีกแล้วดูวันนั้นต้องทำมาครั้งใหญ่ดีเรารู้แล้วว่าชีวิตเนี่ยมันต้องตายยืดมาไม่ได้หรอก แหวแหวกรอฟังใจนีนั่งมีตายหมดไหมตายใช่ค่ะหมดมีนั่งที่พูดมีตายไหมตายตายเนือนกัตว์มีไหมเออไม่มีอะไรเดี๋ยวมันตายจากกันแล้วมันต้องยึดอะไรทํสบายสบายต้องทำใจสบายสบายต้องทำอะไรต้องรู้เรื่องอะไรแลตายแล้วตายแล้วเรืองมั้นก็หมดไปมันต้องไปรู้กันว่าถ้าไปเห็นแล้วมันคิดขึ้นมาอีก็หาทางที่จะให้รู้ทางความคิดเอง เนีมันก็ต้องสนเลยไหมละ่ะถ้าไม่ทนไม่ได้นะมันเดี๋ยวมันไหลไปที่อะที่เรามาบคุมแต่เวลาเจ็บ่วยไข้ก็ไม่อยากเจ็บไม่อยากปวยนี่ก็มีร่างกายไม่ต้องปวยไต้องไข้ที่เลมไหมละ่ะเวลาเรามีความรักบางทีตอนที่มันมันมันรักใครกันนะเอาใจากันใช่ไหมแล้วมีโอกาสที่ชั้นก็ได้ไหมโอ้ยเนี่ยนอนใช่ไมมีแน่มีแ น, น, น่เพราะนั้นเพราะนั้นเตรียมใจให้ดีนะนะ ตอนนี้ถ้าว่ายังมีความรักอะไรก็ระวังให้ดหีอย่าไปหนีไปเผื่อๆไว้บ้างได้ไหมล่ะไม่แน่นะแล้วกรรมของคนเรานี่นะถ้าเคยทํากรรมดีมาล่วงกันมามันก็ต้องเคยปันอนกันมาใช่ไหมเคยทายาาําร้ายกันมาที่จะให้ใจจากใจตลอดใจเวลาช่วงไหนที่กรรมดีให้ผลนห้รู้ยิ้ย้มยั่งยืนยั้งเอาอไม่นั่ง น, นั่งยิ้มยิเอาเข้าใจแต่เวลากาไม่ดีให้ผล นมันคือนปุ๊บขึ้นมามันขึ้นมาเองนะไม่ใช่มันมันเราไปนึกมันขึ้นมานะมันขึ้นมาเองแล้วก็แต่เป็นอกมีนะมีสองคนเป็เพื่อนกันใครเดินใครพาใครเดินทางใครเนี่ยนอนอยู่ในป่าไอ้เพื่อนเนี่ยมันเกิดระลึกขึ้นมาได้เองนะว่าไอ้คนนี้ยเคยฆ่ามันไอ้ไอ้อยู่ข้างๆมันเนี่ยเมื่อนึกขึ้นมาเองเลยนะมันนึกขึ้นมาแล้วก็ละความคิดนั่ไม่ได้เลยดูจี้กรรมวลรกรรมให้ผมนะ ลุกข him, ึ้นมาคว่าดาบเพืจะฆ่าเพื่อนเมื่อดาบขึ้นมาแต่ว่าเรืจองกรรมดีหรืออะไรก็ไม่รู้หรอกเอาก็เมื่อดาบแล้วก็ก็รนึกถึงความดีของเพื่อนขึ้นมก็ลดดาบเดียวการนึกถึงความไม่ดีขึ้นมาเมื่ออดีตเน่ยมันตามมามันเ really ึ็ข yes ึ้นมาได้เองเมื่อดาบขึ้นดีนึกถึงความดีเอาดาบขึ้นดาบลงถุมุยเจอเพื่อนตื่นมาก็เลยมาก็ก็เลยมาถามว่า ไมเขาเกจับดทำไมอะไรเงียเขาบริษัทละ้แต่ถ้าาพูอย่างนี้ก็ไปทำเจ้าไปามเจ้ า, าเนแสดงทำไม่ถัง บ, งบรรนู้ทาได้มี่นี่ใช่ไหมมันเกิดขึ้นได้ดวยเพราะอ า, านาจทั่ทำก็มี น, น, นีคนขอิ ด, ดเรามากวันนั้นถ้าหาว่าความคุกเข้ามาต้องรับมือให้ได้นะต้องยอมรับความจริงให้ได้ถ้าเรายัางอยู่ในโลกใบนี้ อจะให้เรามีความสุขอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้แล้วความสุขที่ว่าสุขนั้นก็ไม่ได้สุขจริงๆหรอกทุกน้อยลงไปมันทนได้ง่ายมันก็เลยเหมือนกับความเป็นสุขถ้ามันทุกข์ก็คือมันทนได้ยากทนได้ยากมันจึงเหนี่ยว่าทุกข์สรุปแล้วสุขก็ดทนได้ง่ายทุกข์กอดทนได้ยาก แสดงว่าสุขก็คือทุกน้อยเพราะมันปวดได้าถ้ามันทุกก็คือมันทุกมากมีทุกมากกับทุกน้อยสุดท้ายถ้าใครเดินตามทางของพระพุทธเจ้าจะเดินไปสู่ทางเน่ยความไม่มีทุกคือถึงฝั่งพระนิพพานมีอยู่ที่เดียวตรงที่จิตของเราเข้าไปถึงจุ ด, จดนี้ จุดๆนั้นเกิดจากการปฏิบัติภาคเพียงพยายามอดชนของเราจนจิตรู้ความจิตมองเห็นชีวิตของเราเองอยากอยากแยกขัดเจนขึ้นในจิตจิตเหมือนกับเอาความรู้สึกมาสำรวจ ด, ดูชีวิตเริ่มตั้งแต่ว่าเออชีวิตเราประกอบขึ้นด้วยอะไรร่างกายใช่ไหมร่างกายตายไหมตายร่างกายเราตายร่างกายสัต ตายคนอื่นตายเทวดาตายลมตายสาัตว์นรกเศรษฐสุรกายสัตว์นิรชาตตายหมดต้องตายจิตคายออกได้มองเห็นชัดแยกว่าร่างกายไม่ใช่ของเราแน่นอนเป็นสิ่งที่เรายืไมไว้ใช้เ่วคราวถ้าเราเห็นร่างกายว่าไม่ใช่ของเราเราก็จะเข้าใจด้วยร่างกายของคนอื่นเราก็ไม่ไปยึดไม่ควรไปยึดแต่ถ้าเรายังอยู่ในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้อง ก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเนี่ยถ้าหากว่าเราทําหน้าที่ผิดพลาดบกพร่องมันก็จะติดปัญหาขึ้นมาผัดผ่องขึ้นในจิตของเรายังไงก็ทำยังไงมันก็หนีความผัดผ่องจะให้ได้ดั่งใจเราทุกอย่างไม่ได้เราต้องมาฝึกษาในจิตเรามาเตรียมจิตเราถ้ามันทุ่งเข้ามาก็แสดงว่าตอนนั้นนจิตเราอ่อนแอ เราออนแอเรารับมือย่างไม่ได้และเราก็ขาดความรู้ความเข้าใจใรงชีวิตเราจึงไปหลงความหลงอันนี้คิดไม่คู้คิดไม่เป็นคิดให้ตัวเองานเดียวไม่รู้จักทิปอิจดิจิตคิดให้ตัวเองมีความสุขความสบายเพาเนี่ยอันนี้แหละเกิดจากความไม่เข้าใจเรื่องชีวิตของเราเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องเริ่มต้นศึกษา อนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจเพื่อที่เราจะได้สามารถดับทุกทายในใจเราได้ที่ทำให้ทุกเหตุมันน้อยลงไปยังไงก็แล้วแต่ความทุกข์เข้ามาไม่ต้องเป็นัวมันเป็นบางช่วงบางตอนเท่านั้นเองว่าเรากำลังอ่อนแ้มันก็เลยเกิดได้แต่ถ้าหากว่ายามใดเวลาใดเราขึนแข็งข้มาก มนันก็จะผ่านไปเนี่ยโดยเฉพาะเวลาเนี่การอะไรมันเกิดขึ้นใหม่ๆนะโหเวลามันเกิดขึ้นใหม่ๆนี่มันเิ็บปวดประมานนะเหมือนจะตายไม่ได้เลยนะบางคนก็เคยนะเนี่ยบางคนเคยมามาเล่าให้ฟังนะขงเขาคิดจะฆ่าตัวตายอยเลยเขาอนะแต่ก็อยังไม่ตายนะที่ไม่ตายแสดววงว่าัวดใจไม่ฆ่าแต่มาเล่าทีหลังมาเลาทีหลังเจ็บปวดไม่รู้จะทํายังไง ปัญหามันตามมาเรื่อยๆตามม า, าเรื่อยๆรับถึงไม่ทันใจอ่อนแอมันก็ไม่รู้จะทํำยังไงมันทุกข์อ่ะหินใจนะคนทุกข์นี่นะหินใจเพราะว่าเราเคยเป็นทุกข์มาใช่ไหมยิ่งขันใจอ่ะเราก็ไม่อยากทุกข์อ่ะแต่มันทุกข์แล้วทํายังไองอ่ะนี่ฟังฟังใจที่มันอ่อนแอก็คิดอยากหนีทุกข์อย่างนี้ก็คือคิดจะฆ่าตัวตายไม่รู้ว่าความทุกข์มันอยู่ในกิจกิจมันตายไม่เป็นฆ่าตัวตายแล้วยิ่งทุกหนักของเก่า ในกิจเราไปอีกเราหกหารเหราโน่นเรเฮร่รอนอะไรก็มันหลงมากมากแล้วเป็นฆ่าตัวตายแต่ถ้าไม่ในฆ่าตัวตายอันมาศึกษาคําสอนของมูเตยอปับ๊บเข้าใจเรื่องทำเน่าเที่ยวเท่าทนั้นแหละมันเหมือนมีอาหารนะธรรมะนี่เป็นเหมือนอาหารของจิตใจนะมันเข้าไปต่อนยิงจิตใจเราใจจะพเพิ่มเพิ่มเพิ่พบางขึ้นนะมีความสรทธาเรื่องใส มาทำให้จิตใจอิกก่มเบิกเบายจิตใจเบิเกบายจิตใจอิ่เบิกมีความสงบมีความสุบนี่แหละที่เจ้าบ่เห็นทุกถึงเห็นผับเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนอ่ะในสมัย พ, พระพุทธเจ้าเนี่ยมีเยอะเลยคนมีความทุ่งแล้วก็สามารถบรรลุผับได้คนที่มีความทุ่งมากที่สุดเนี่ยชื่อว่านางคนเป็นผู้หญิงด้วยนะชื่อนางปตยาจารีไปได้ยินไหม าานางปตาจ a รีนี่เป็นลูกของมหาเศรษฐีเลยใช่ไหมผมพ่อแม่รักมากเลยนะต้องการให้แต่งงานกับผู้ชายที่มีฐานะเท่าเทียมกันมั่นหมายกับผู้ชายที่เป็นเพื่อนกั น, เ ป, น, เ, น, กนเป็นมหาเศรษฐีเหมือนกันไว้แต่ที่นี้นางอะ่ะอยู่ในประสาททั้งที่เจ็ไม่ไม่ได้พบผู้ชายแต่ว่าในาบ้านนั้นก็มีคนชายน่ะคนรับใชอ้อย่างีผู้ชายกก็เกิดไปชอบใจผู้ชายกาเกิดความรักใคร่กัน พอพ่อจะให้แต่งงานปรึกษากันเลยครัว่าทํำยังไงดีถ้ายังอยู่ก็ต้องแต่งงานกับคนอื่นแน่ๆอ้ไรอย่างนี้ต้องหนีผู้ชายก็บอกว่าจะหนี้ไปไหนไม่มีเในเปคนยากจนไม่มีอะไรเลยไปไหนก็ได้ขอให้ไปด้วยกวลังความรักก็เป็นอย่า ง, งานี้ก็เลยพากันหนีเลยหนีหนีไปก็ไป ท, ไทําไร่ทํานาทําสวนโน้ดไปไกลูโน่เอทีอนี้พอตั้งของ มีท้อมาปีนึง่งครับเวลาจะคลอดผู้หญิงเนีขามีองังเดียังไงต้องกลับไปบ้านให้คล อ, อดที่บ้านขอกเขาผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าเขาข อ, อกลับว่าผู้ชายก็อยากกลับไปเลยเพราะเรามีความผิดอยูยิ่งคนนี้ก็มีคนอยากโดนคนกินเลือเลยงตัวแต่ว่าผู้หญิงก็แอบแอบนี้ไปเขาคิดว่าต้องไปคลอดบ้านแม่แม่จะว่ายังไงก็จะไปพอมาแล้วไม่เห็นไม่เห็นภรรยาภรรยาไปแล้วตามไป ตามไปถึงฝั่งแม่น้ำอีกีลาวดีในประเทศอินเดียจะมีแม่น้ำอีกีลาวดีเขาจะต้องข้ามแม่น้ำนี้ไปแต่พอดีไปถึงแล้วมันมันมืดมันมืดก็เลยพักที่เดียสามีตามไปไปพันพอดีเลยตามพันพอดีก็คลอดลูกคลอดลูกแล้วก็พากลับมากลับมาไม่ไม่ไปแล้วก็คลอดลูกอยู่ตรงฝั่งแม่น้ำอีกีลาวดีพอปีที่สองมาอีกตั้งท้องอีก เ น, างงา น, นี่ยวายานทำงานเหมือนกันนะวายาทําไรทา ง, งานางางาง ส, นสวนนะมีที่สองรองเก่งไหมผู้หญิงก็ อ, อ่ อ, อนหวานให้พากลับไปที่บ้านสามีไม่พากลับก็หนีไปอีกตามไปแต่เขานี่ไปทันที่ยินฝั่งแม่น้ำอีกทีลวันวันนั้นฝนตกหนักนฝนลงพายุมาฝนตกสามีก็รีบเข้าไปในป่าเอาค้าไปเตรียมที่จะไปเอา เอาไปกิ่ไม้มาำมทำซุ้มทาอะไรให้ให้ภรรยาให้ภรรยาภรรยาก็ฝนตกลมผานลมพัดอะไรรุนแรงนางก็คอดนางคอดสามีไปไปตัดไม้มันมีจอมปวกอยู่ในจอมปวกนั้นมีงูเหา่าพอคนไปตัดไม้มันก็ตกใจใช่ไหมมันตัดสามีตายมีสามีตายแล้วนางไม่รู้สามีตายคอดออกมา จะขอดก็ต้องเจ็บปวดพทรมานใช่ไหมขอดมาแล้วฝนก็ตกไม่มีอะไรฟังเลยพุกเขา่าเอาเขา่าพุกเขา่าพ่อมลูกไว้มีลูกสองคนคนหนึ่งก็นอนอีกค่อมพ่อมลูกไว้สองคนตัวเองก็เหนื่อยเจ็บปวดพทรมานดูดีขอดใหม่ๆด้วยใส่ขอดใช่ไหมใส่ขอดตั้งทรมานไหม น, นี่เป็นแบบนี้ตลอดคืนเลยนะพอสว่างมาก็โอ้โหทั้งเจ็บทั้งปวดเหนื่อย ก็เอ๊สามีไปไหนเนอะก็อุ้มลูกทั้งร่างกายก็ยำแย่นะแต่ว่าก็ต้องหมดคนอะ่ะคนภาวามันจำยอมแล้วนี่ะแสดงว่าจิตใจแข็งแขรงอยู่อุ้มลูกคนที่หนึ่งูลู ก, ลกคนที่สองอะ่ะคนแรกอูคนคนคนที่สองนี่อุ้มไปไปเดินไปสักหน่อยไปเห็นสามีนอนตายน้องห่คนก็เห็นเห็นกันอยู่ก็ต้องตายไปอะ่ะสามีตายอะ่ะ ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวต้องข้ามในน้ำํำจรดีไปนี้ได้เพื่อที่จะไปหาพ่อแม่ที่ยังยังมีชีวิตฝนก็ตกหนักเมื่อคือนเนี่ยน้ําก็ไหลแรงทีนี่ผมเลยทำยังไงดีอะ่ะก็จัาลูกไปพร้อมกันสองคนไม่ได้ก็เอาลูกคนคนแรกให้อยู่บนฝั่งก่อนเอาลูกไว้บนฝั่งบอกลูกให้รอยอยูต่ตรงนี้พุ่มลูกคนที่สองทอดไปหมดข้ามน้ําไปลุยไปลุยไป บางที่มันก็แค่ข่าบางที่มันก็แค่คอแค่อะไรอย่างนี้นะลุยไปน้ํำก็พัดแรงสู้น้ําไปในน้ํากว้างๆพอสมควรพอข้ามไปได้ก็เอาลูกไปวางไว้บนฝัง่งปึ๊บกลับมาจะไปรับลูกคนคนแรกไอเหี้ยวที่นี่มันกําลังหากิีตามมองไกลมากเลยใช่ไหมมองเห็นเด็กปิ๊กกระเดีวกระเดียวมันไม่ได้คิดว่าเป็นเด็กนะมันเี่ยกอาหารของมันอะ่ะโอ้โหวันนี้โชคดี มันร่อนลงมาเลยเขียวเลยชัวเปลเลยดับปึ๊บหลอก ว, ว, ว้าววมันมัไล่เดียวยาวลูกชันไปยาลูกชันไปทั้งร้องไห้ทั้งหูหัวใจแทบขาดสลายแล้วไอ้ลูกคนแรกก็นึกว่าแม่เรีย่ยมีเขาโดนงลง น, ะน้ำน้ํามันไหลแรงด้ยพัดเอาคนแรกไปลูกคนที่สองเดียวก็เอาไปเป็นยังไงสามีก็ตายลูกสองคนตายวันเดียวเลยพร้อมกันเลย หัวใจมันสลายหมดครับนะตัดสินใจร้องมุกร้องไห้น้ำตาไม่เคยแห้งเลยคิดอะไรไม่ออกเลยมีแต่ร้องอย่างเดียวมุ่งากไปหาพ่อแม่พอไปถึงปั๊บปาสาทมีแต่กองไม้กองเศษปูนเศษหินเศษทรายเขาบอกเอาเอ า, เอาบ้านเศรษฐีตรงนี้ไปไหนอ่ะเอาเธอไปรู้เรื่องบาเคื่อนี้าอายุพัดมาอย่างรุนแรงเนี่ย พรมบ้านของเศรษฐีนี่พังหมดเลยเศรษฐีสองคนสามีภรรยาตายอยู่ในนั้นเป็นยังไงที่นี่สามีก็ตายวันเดียวกันเลยนะในคำคุลูกคนที่สองเดี่ยวโศภัยลูกคนที่หนึ่งทพัดไปพ่อกับแม่ตายอยู่ในซากสลักอักระหมดที่มึนเลยหมดสติขาดไปเลย เสืเ้อผเาซองเลยที่ยู่อ่าเพื่อพักที่หมด่งเลแข่ผ่าหล่อนเดินเลยลหลงหลงอ็บางคนเดียวไปลําลึงมล้ำพานลูกอย่างนั้นอย่างนี้สามีอย่างนั้ น, นอย่างนี้ไปเรื่อยเลยบางคนก็สงสารก็เอาข่าวใี้ไอเด็กบางคนพันไปตามทุ่งทํานาเด็กบางคนมันก น, นเอาใบแย่ที่แย่บางอะไรบางเอาถุกว้างบางชายกว้างบางพฤติกรรมมันทำเดินไปเรื่อยเลยแต่แปลกอย่าง เดินแล้วมุ่งหน้าไปที่วัดเจดวันมหาวิหารแน่นี่มีบุญใช่ไหมบุญมันมันคนที่เคยฟังธรรมเคปฏิบัติธรรมมาแม้จะมีกรรมไม่ดีให้ผลมันก็มีกรรมดีให้ผล ด, ด้วยตามกระแสธรรมของเจ้าไปเรื่อยๆไม่ได้ยินนแต่ว่ารู้สึกอยากจะไปตางโน้นกรรมันบรนดาลได้ไหม่มมมอพอไปถึงพิจ้าก็นากําแสดงเําบุญก็ห้อมร้อมคล้ายๆนี้นะบุญห้มอมล้อมคนไม่มีเสื้อผ้าเดินเข้าไปใครแย่งกาไป คนบ้าคนบ้ายังเข้าไปหญงเข้าไปเนี่ยพระเจ้านีรู้เลยปัจจาราวันี้โยงให้ปัาจาราลูกเราเข้ามาดูสิเป็นตาไหมเป็นตามเขาอาหเปนไงคนเขากเอาผ้าอ่านปั๊บผูกผ้าเียบร้อยพอเดินก็มาครับเธอจงมีสติสติของเธอจงกลับมาปั๊ รู้สึกตัวเป็นมาเขาเป็นข่าวพระเจ้าแสดงทรรให้ฟังดูก่อนขอัน จ, จระน้ำตาของเธอที่หลั่งไหลเพราะความร้องห่มร้องไห้่อี่เกิดจากการพัดผาน ข, ของสารอุจจารย์ภพแห่ง น, น้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ยังน้อยกว่าน้ำตาของ แสดงว่ามันเคยร้องโง่ร้องไห้เต็มีความโอยน้ำไปทั่วเลยใช่ไหมนางได้สติทุกอุ๊บมันเป็นอย่างนี้เลยชีวิตมีคนเคยปฏิบัติธรรมมามันจะเป็นอย่างนี้มันจะนึกขึ้นมาได้จิตปั๊บหันกลับมาเลยกลับเข้ามาดูจิตเลยเนี่ยกลับเข้ามาดูจิตเลยทุกความปุ๊บอยู่ในจิตแล้วพระเจ้ากระแส ด, ดงทำซ้ําเข้าไปเนี่ยซ้ําเข้าไปนางก็เห็นความทุ๊บค่อยๆสลายไปดับไปดับไปปุ๊บนี่ย บรรุกระโสดาบันไงเห็นไหมเนี่ยคนที่ปฏิบัติธรรมมันจะมีพวกเนี่ยมันสอนอะพิกิจเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนขนานนั่นเลยนางก็เลยอขอบวชเนี่ยพรูเจ้าอนุญาตให้รวจได้บวชแล้วต่อมาก็ปฏิบัติธรรมบรรุเป็นกุหาบด้วยนี่เห็นไหมคนที่นี้ใช้เป็นกุหลาบแต่ทําไมจริงระบบหลังเหินทําไมจึง 6, 6, มจิงโอ้โ ห, โโหเขียววิบากกรรมขนาดนี้ถ้าเทียบกับเราใครมากกว่ก า, ากันนี่นางกัจจายาลากับเราอะโอ้โหเรานล็เดียวใช่ไหม มันสบายใจได้ของเราทีเดอยวนั่งเนนก้าอีโอ้สมีลูกสองคนแค่สมีแบบนี่แบบ็แย่แล้วนะนี่ไม่เป็นไร3ามีถ้าลูกมีหนักไปเนาะถ้าลูก <c oughs> หนักหน่อยก็แม่นี่ก็หนักนะเนี่ยดูสิใครเป็นคนรับไปอ่ะแต่ว่าสุด ท, ท้ายนางก็สามารถทาได้เพรานนะาฉะนั้นไม่ต้องโกรธปุ๊บต่อไปอต่อไปนี้ให้สำรวมจิตใจนะ เดี๋ยวราจะทำเดี๋ยวสอนนะเขาจะกลับเข้ามาให้มันกลับเข้ามาให้มันกลับเข้ามาไม่ใช่ตัวเองอยาไปหอยาไปไหนอ่านว่าใครใครว่าเอาไม่อยู่้าเอาไม่อยู่กอต่อไปนี้ะศึกษาคําสอนของเยาวบริกรรมท่องเอาท่องเอาต่อไปนี้ สาคำสอนเจ้าต่อไปนี้เราจะพยายามนะความเข้าใจคําสอนของเจ้าจะพยายามทำความเข้าใจเรื่อของคีวิตวิถีไหนทําให้มันมันเอาลงไปทําได้ ไ, ได้คนที่ทุกข์มากกว่าเราก็มีไม่ต้องไป้ย้ําว่าเรานี่ต้องการให้ใครมาปดเครื่องวอกออกไปอย่างนี้ไม่มีใครดึงความทุกข์ออกไปจากใจเราได้นอกจากเรามาศึกษาคําสอนของผูธเจ้า ก็มาปฏ pues ิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื ale, ่อปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าแล้วเนี่ยเราจะรู้วิธีรู้ผลทางธัรทีเลยก็คือทางของจิตเรานี่แหละเราจะรู้ทันทีว่าเป็นเพราะจิตของเรามันไหลออกไปจิตงเราไหลออกไปเมื่อมันไหลออกไปแล้วมันก็เอาเรื่องราวข้างนอกเข้ามาทับของจิตทั้งที่เรื่องทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยเปลี่ยนไปตามคเข้ามันเรายอมรับกับที่เราไปทํามาในอดีตก็ไม่ได้กรรมในปัจจุบันก็ยอมรับมันไม่ได้ ว่าเราก็มีความผูกพ้องผิดพาดเพราะฉนั้นเราคืนไม่ได้แล้วเมื่อเราคืนไม่ได้แล้วมาแก้ที่จิตเราแก้ที่ติตเราก็คือว่าต้องมามีสติพยายามเลสยสติให้สติที่มารักษาจิตคล้องจิตเนี่ยพอคลุกคล้องจิตรักษาจิตได้จิตของเรามันก็จะอยู่กับตัวเราได้นานขึ้เป็นสมาธิขึ้นมาพอเป็นสมาธิมันก็จะผลปล่อยยาลงข้างนอกออกไปอารมณ์ข้างนอกกระดับไปสังขารหลายที่คมาผูกติดเราไปมีม จิตเราไปดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นสบายขึ้นนะสุงมากขึ้นวนจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันรู้ความจริงเมื่อไหร่มันก็จะปล่อยวางทุกสอย่างเลยเนี่ยทางของเจ้าเป็นอย่างนี้เลยมีล้วนล้าเลยนะสุดท้ายมันก็ปล่อยวางหมดอย่าไปกลัวเลยวางทุกเราจะมองเองจะขอบคุณความทุกเลยถ้าไม่พบทุกไม่เห็นทุกไม่มีความทุกเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราอาจจะประมาทงัวเมาหองเพลินไปยูกับความสุขชีวิตแต่ความสุขเหมือนเราก็จะไม่มีทุกอยู่เลย แต่พอมีความรู้มาสอนเราอย่างนี้มันทําให้เราได้สติขึ้นมาได้คิดขึ้นมาอันมาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้ามันทําความเข้าใจคําสอนของเจ้า ก, ก็คือเข้าใจเรื่องชีวิตของเรานี่แหละคําสอนของพระเจ้าก็สอนเพื่อให้เรารู้เรื่องของตัวเองไม่มนหลงตัวเองเหมือนเพราะว่าชีวิตนี้มันจะอยู่ตลอดไปเหมือนมันจะไม่เปลี่ยนแปลงเห้นอะไรก็อยากให้มันมั่นคงอยู่ตลอดไปนี่ความหลงผิดเห็นผิด สิ่งตัวอย่างต้องเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของมันเวลาใดที่มันเปลี่ยนแปลงมันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการก็ยอมรับสภาพนั่นแหละคือสัจธรรมสิ่งนั้นคือสัจธรรมสิ่งนั้นคือความจริงเราต้องยอมรับความจริงให้ได้เพราะความจริงก็คือความจริงเรายอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้ก็ตามความจริงก็คือความจริงนั่นก็คือมันต้องเปลี่ยนแปลง มันจะให้ถูกใจให้เป็นอย่างที่เราต้องการตลอดไปไม่ได้อยู่ที่ว่าเรายอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้ใครยอมรับได้ทุกเกาอ น, น้อยลงไปใครยอมรับไม่ได้ก็เกิดความขัดแย้งขึ้นในจิตใจก็เกิดความทุกข์ความิม่นหมอและความทรมานขึ้นมาหากเมื่อเรารู้เราเข้าใจแล้วกอหาช่องทางต่อไปน ะ, ะต่อไปนี้ำทำโวยจิตใจเป็นอกสุดท้าย ปล่วางรูกสิ่อย่าง ท, ทําจิตใจแน่วแน่เพื่อที่จะทำอภิษฐานจิตเนี่ยสุดท้ายต้องมา ท, ทําจิตใจใแน่วแน่ความตั้งใจที่แน่วแน่ความคิดที่ประกอบด้วยความตั้งใจแน่วแน่นั้นคือทำอภิษฐานหรือปฏิบนนัติถ้าอยากให้ประสบผลสําเร็จเราต้อง ท, ทําจิตเราให้แน่วแน่แล้วตั้งจิตอำิษฐานขึ้นมาเนี่ย มันจะมีพลังมีอ้างอัพันมีจ้จะให้ใหูณแทนเลยนะรับเอาไปเลยนะรับเอาไปทั้งิีนะทำใดก็ตามที่ข้าพเจ้าโดยประมาทพาดพั้ง บาปเกิดเกิดต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์ข้าพเจ้าขออาวุธชีกรรมซึ่งโกรที่ได้ประมาณว่ักบาปเกเกิดนั้นเกิดเกิดนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตผู้ยินแดงพระพ e. e. ุทธเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแย่พระธรรมขอมอบกายถวายชีวิตผู้ยินแยงพระสงฆ์ ปชีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นีริงพุทธีระดึกตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลงขระพเจ้าจะพยายามนําเอาโอวาทคำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตจะพยายามอปฏิบัติตามคำคำสอนของพระองค์ให้ยริงจริงขึ้นไปจนกว่าจะพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสาร ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสติปัญญารู้แจ้งแงทงตลอดในอารยสัจธรรมยนต้นจากพุทธในวัฏฏะเคยเจืออยู่อยากกอดทำเราไม่มีเวรทำอาบีนะถ้าใครรู้สึกว่าออยังมีเจ้ากรรมในเวรอะไรรบกนอยู่ก็กำได้กอดทำที่ข้าพเจ้าเคยกินบาปเลืเกินตน่อศัพว์อืใดต่อชีวิตืใด ข้าพเจ้าขออาโหสิกรรมสิ้นโทษที่ได้ผิดบาปเพื่อนมนั้นข้าพเจ้ า, า, ายินดีให้อาภายัยให้อโหสิกรรมแก่ทุกชีวิตปีญาที่เคยผิดบาปเพื่อนมนั้นข้าพเจ้าทางวายทางให้อาภายัยให้อโหอาาสิกรรมซึ่งกรรมเลก็กนตลอดไปแล้วเราก็จะให้มีสติฐานานักหับอาทนั้นทั้งทีที่สบายสบายสำหรับตัวเรานะให้อภัยให้หมดเลยนะใครเคยผิดเมีย น, เ, น, เ, นเรา ย, ยัางไงเคยทําิด เราเคนดีเข้าว่าไรเราเคขันแขงรัาอาภัยหมดเลยนะอาา ย, ย่าภัยเนี่กับ่าภัยาทานเนี่ยมันจะเป็นมากไม้มากกว่าไว้ข้าวลาอาหาอีเนี่ยเ ร, เรียกว่าอาภัยยาทานอาภิสับทานอภัยยาทานอภัยทานทุนที่ไปเรื่อยๆจากนั้นก็รวบรวมทุนของเรานะตั้งแต่อีกที่จัดปิวานนันเรียกที่ทุนนะ ขออำนาจพระพุทธเจ้าอำนาจพระธรรมอำนาจพระสงฆ์ยงริบรรจาทรงตอบเจท่พนในขัตติัญาให้ญาติทั้งหลายของธรมเจ้าเยาวดาทีรักษาธรรมเจ้าเจ้ากรนายกิาพองธรรมเจ้าให้แกญาติเทวดาที่สารีนายกีพ่อแม่สามีบรรยาลูกหลานที่้องผู้มีมีของเจ้าให้แกดววิญญาณทั้งหลายที่ิสั แถนที่งนี้อยู่ในบริเวณี้มีปัญหาทุที่นบ้านเกดของอาาาร์พร์ตัีโรงงานโรงแรงไ้นาสวนที่ิดใน่นให้แกงาิญาที่กราบำลังออกจากรัฐธรรมนูมีัีชั้นทุ่อทั้าย้านทและพรของค์ทรงพระเจ้าอและรัองแต้องกส่ใคอยสงสารรัฐน้าด้วยอานาจทร เม mm. e. e. e yeah. ื่อความละนาแล้วอภิองค์ชวยยังเคยท้าพระเจ้าทําดไม่มีความร้าเความร็จเปความไรงเรื่้ดัยาจะที่ละงจะให้เป็ไปและจะทำไที่วัดเย์นี้นะใ้ใ้ให้ใ ทำให้มนุษย่อเลยนะ่มมะละกูานปาบเบือปางามาัีปละา้านปลวมันาหาลาต้าปจุาาเวน่สปลาับา